ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนังสือสัตตะปพระบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวันน า, นาของพระอมราภิรคิตะอมโรเกิดนับเป็นหนังสือสําคัญสําหรับการศึกษาพระวินัยและได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาพระวินัยของพระภิกษุสามเณรในวัดต่างๆอย่างกว้างขวาง ทั่วไปมาตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ห้าเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงรจนาวินัยมุกก็ได้ตรงใช้หนังสือบุพศิกขาวรรณนานี้เป็นหลักในการรจนาดังที่ทรงอธิบายไว้ว่าเป็นเสมือนเก็บข้อความในบุพศิกขาวรร น, นานานั้นมาเรียบเรียงใหม่ให้เข้ารูปฉะนั้นผู้ที่ประสงค์จะศึกษาเรื่องพระวินยัย ให้ได้ความรู้ความเข้าใจละเอียดควรที่จะได้ศึกษาบุพคลสิกขาวันนานานี้ด้วยบุคคลสิกขาวันน่าน า, นาเป็นหนังสือแสดงอธิบายพระวินัยที่ท่านพระอมาราธิรติตะอมโรเกิดเป็นผู้รจนาขึ้นท้ายหนังสือบอกไว้ว่าเสร็จทั้งหมดในปีวอกพุทธศักราช2403นับเป็นปีรัชกาลที่10ในรัชกาลที่4 ในเบื้องต้นของบุพพสิกขาวันนาท่านผู้รัชนาได้กล่าวปารลบถึงบุพพสิกขาที่ท่านได้แต่งไว้แล้วโดยย่อเพื่อให้กุลบุตรผู้เป็นคนใหม่ในพระศาสนาศึกษาตามในการเป็นเบื้องต้นจึงจะทาการวันนาบุพพสิกขานั้นโดยพิจาราาสักหน่อยเพื่อผู้ใกรจะรู้จะศึกษาตามคปาปรลนี้แสดงว่า ท่านผรศนาได้แต่งเรื่องที่ท่านให้ชื่อว่าบุพพสิกขาไว้ก่อนแล้วโดยย่อสำหรับคนใหม่จะได้ศึกษาในเบื้องต้นตรงกับชื่อเรื่องว่าบุพพสิกขาที่แปลว่าศึกษาในเบื้องต้นเรื่องบุพพสิกขาที่เป็นต้นเดิมของหนังสือบุพพศิกษาวรนน า, นาเจ้าหน้าที่ได้พบในตู้หนังสือบนตำหนักล่าซึ่งเป็นตำหนักเดิมของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กลมพระยาวชิรยานวโรรสเรียกชื่อเต็มว่าสัตตะปภะบุภศสิกขาเรียกสั้นในคำเริ่มต้นว่าบุภศสิกขากล่าวถึงเรื่องที่กุลบุตรพึงศึกษาก่อนเจ็ดข้อคือข้อต้นว่าด้วยคุณของพระรัตนตรยัยข้อที่สองว่าด้วยชื่อของอาบัตเป็นต้นข้อที่สามว่าด้วยสิกขาบทที่ใกล้ต้องเป็นทางปฏิบัติมาก ข้อที่สี่ว่าด้วยกาลิกข้อที่ห้าว่าด้วยพินทุอธิษฐานวิกัดและปัดจุดทอนข้อที่หกว่าด้วยการขาดอธิษฐานเป็นต้นข้อที่เจ็ดว่าด้วยการแสดงอาบัติเป็นต้นในตอนท้ายแต่งเป็นฉันบาลีหนึ่งคาถาบอกว่าอมระเป็นผู้แต่งคำนี้ตรงกับนามฉายาของท่านผู้รจนาบุพพติกขาวันน า, นาจึงสันนิษฐานได้ว่า ท่านอมระผู้แต่งบุพะสิกขานั้นคือท่านผู้รจนาบุพะสิกขาวันนานั่นเองพระหนังสือบุพะสิกขาที่ค้นพบไม่ได้บอกชื่อผู้แต่งไว้ในที่อื่นจากในคาถาท้ายเรื่องนั้นและไม่ได้บอกปีที่พิมพ์คำบาลีใช้อักษรอรรยกะทั้งหมดอักษรอรรยกะนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคิดขึ้น ตั้งแต่สมัยที่ยังทรงผนวชอยู่และทรงตั้งโรงพิมพ์ขึ้นด้วยในวัดบรวรนิเวศวิหารตรงที่สร้างตำหนักเพชรในปัจจุบันใช้อักษรไทยพิมพ์ภาษาไทยส่วนภาษาบาลีใช้อักษอรอารยกาที่ทรงคิดขึ้นในเวลานั้นนิยมใช้เขียนด้วยอักษรขอมเวลานี้ยังได้พบหนังสือที่พิมพ์ในครั้งนั้นเก็บอยู่ในตู้เป็นบางเรื่องเช่นหนังสือปาติโมบบาลี ใช้พิมพ์ด้วยอักษรอริยกะตลอดและหนังสือบุพพสิกขานี้ก็น่าคิดว่าจะพิมพ์ในสมัยที่ใกล้เคียงกันนั้นเพราะอักษรอริยกะใช้กันอยู่ในวงแคบและชั่วระยะการหนึ่งเท่านั้นต่อมาท่านผู้รจนาบุพพสิกขาเจ็ดข้อจึงได้รจนาวันน า, นาแห่งบุพพสิกขาเจ็ดข้อนั้นโดยพิจารณาดังที่เรียกว่าบุพพสิกขาวันนานี้ บุพพสิกขาวันนาใช้เป็นหลักในการศึกษาปฏิบัติพระวินัยในสมัยก่อนมานานเป็นที่นิยมนับถือของพระสงผู้เป็นนักศึกษาปฏิบัติทั่วไปและบุพพสิกขาวันน า, นานี้กล่าวได้ว่าเป็นต้นเดิมของหนังสือวินัยมุกที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยัญญาณวรโรรสได้ทรงรจนาขึ้นนางที่ทรงไว้ในคำนำของวินัยมุกว่า ในการรจนาหนังสือนี้ข้าพเจ้าได้อาศัยบุพะสิกขาวันนานาเป็นอย่างมากเพราะท่านผู้รจนาได้เลือกจากประกรทั้งหลายมารวบรวมไว้ในเรื่องเดียวกันทั้งความมุ่งหมายของข้าพเจ้าก็เพื่อจะแต่งแก้บุพะสิกขาวันณน า, นาเหมือนเป็นดีกาของหนังสือนั้นบูรณะข้อที่บกพร่องและแก้ข้อที่ผิดให้สำเร็จประโยชน์จึงต้องใช้หนังสือนั้นเป็นเครื่องมือ จะถือว่าเก็บข้อความในบุพพสิกขาวรนานันั้นมาเรียงเข้ารูปใหม่ก็ได้ข้าพเจ้าขอแสดงความระลึกถึงอุปการะของท่านพระอมราภิรุติตาอมโรเกิดเจ้าวัดบังิวาาผู้รจนาหนังสือนั้นแม้หนังสือนวโกว่าของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นก็ดูมีเข้าความประสงค์คล้ายหนังสือบุพพสิกขา เพราะเป็นหนังสือย่อข้อที่ควรศึกษาก่อนสำหรับคนใหม่เช่นเดียวกันแต่มีต่างกันเช่นนวโกวายย่อความในศิกขาบทมาในปาติโมก ค, ครบถ้วนเป็นต้นสรุปความว่าท่านพระอมาราธิรคิตะอมโรเกิดได้รจนาหนังสือบุพะติขาหรือตตะปัพพระบุพะติขาขึ้นสำหรับนวกะแล้วรจนาบุพะติขาวันห้านา สาเร็จตั้งแต่ในรัชกาลที่สี่ต่อมาสมเด็จพระมหาสมนเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงรจนาหนังสือนวกโกโววาสและวิไนมุกซึ่งใช้หนังสือของท่านพระอมราภิรจิตะนั้นเป็นคู่มือและได้ใช้เป็นหลักสูตรแทงการศึกษานักธรรมในคณะสงฆ์ในปัจจุบันหนังสือบุพสิขาวนนาปรากฏว่าเดิมเป็นหนังสือจารในคำทีไบาลาน ต่อมาจึงได้มีการคัดลอกพิมพ์เป็นเล่มสมุดขึ้นและได้พิมพ์ต่อมาอีกหลายครั้งประวัติของผู้รัจนาคือท่านพระอมราภิรัติตะอมโรเกอโดยสังเข็ท่านพระอมราภิรุติตะอมโรเกอเป็นท้าเถระในคณะธรรมยุตซึ่งนับเข้าในหมู่พระสิ์หลวงเดิม ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงผนวดอยู่รูปหนึ่งดังที่มีกล่าวถึงในคำประกาศเทวดางานฉลองยุคเมื่อปีมะเมียพอศ2408ตำนานวัดบรวรนิเวศวิหารระบุถึงว่าเมื่อจอศ1220คือพอศ2401 ซึ่งเป็นปีที่8ในรัชกาลที่4พระสิทธิหลวงเดิมยังมีอยู่48องค์มีชื่อพระอมราธิรคิตะรวมอยู่ด้วยและทราบกันมาว่าท่านเป็นสัตธิทวิหาริกแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือเป็นลูกศิษย์ของรัชกาลที่4สมัยที่ยังทรงผนวดอยู่ปรากฏ ว, ว่าท่านพระอมราธิรคิตะเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นป ร, รีย์ก้าประโยค มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกได้เป็นสมณทูตไปประเทศลังกาสองครั้งในรจนาหนังสือบุพพสิกขาสำหรับนวากับภิกษุโดยย่อจะกล่าวว่าเป็นนวโกวาทเล่มแรกก็น่าจะได้และหนังสือบุพพสิกขาวันนานากับหนังสืออื่นอีกงานารจนานของท่านโดยเฉพาะบุพพสิกขาวันนานาทำให้ด้านเป็นอมระผู้ไม่ตาย สมนามฉายาของท่านเรื่องการไปรังกามีกล่าวถึงในพระราชนาวดา์กรุงรัตนโกสินทร์รัชที่สามฉบับเจ้าพระยาที่ภากรวงและเรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงในรังกาทวีปพัะนคนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนังจะเกตความมากล่าวต่อไปนี้ ครั้งที่หนึ่งพศ2385 พ, พระสงฆ์ไทยออกไปลังกาครั้งนี้มีห้ารูปคือหนึ่งพระพุทธยานสองพระอมระก็คือท่านพระอามราธิราชิตาเกิดสาพระสุภูติชื่อสังภายหลังเป็นพระสมุทาบุนีเป็นน้องสมเด็จพระสังฆราชปุตตะเทวสาร วัดราชประดิษฐ์4พระคัมภีร์5ระพุทธวีระเหตุที่ออกไปก็คือได้มีพระสงฆ์ลังกาเข้ามาพักอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพนวดอยู่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุเาะห์ตลอดถึงในการกลับ และได้มีพระราชดำริเห็นพร้อมกันกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าควรจะส่งพระพิถุสงไทยเป็นสมณทูตไปลังกาอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อสื่อข่าวพระพุทธศาสนานในลังกาและยืนหนังสือพระไตรปิฎกต่างๆที่ฉบับของไทยยังบกพร่องหรือไม่มีเข้ามาจำลองลอกขึ้นไว้จึงโปรให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงเลือกพระพิถุที่จะส่งไปลังกา และมีสมณะลิขิตไปถึงสังขนายกลังกาตามพระราชประสงค์เพื่อบาสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงเลือกพระพิตุทั้งห้ารูปนั้นเป็นสมณทูตไทยทรงออกไปพร้อมกับพระสงฆ์ลังกาในพระบรมราชูปรถัมภ์พระสงฆ์ไทยคณะนี้กลับถึงกรุงเทพในปีต่อมาคือพศ .2386 ยืมหนังสือพระไตรปิฎกเข้ามาได้40ครั ครั้งที่ 2, สอ ง, งพศ2587พระสงฆ์ไทยออกไปลังกาหกรูปคือหนึ่งพระอมระัสองพระสุภูติสามพระสังฆรากิตะสี่พระปิรินทวัชชะห้าพระยัญญัตตาหพระอาสุพะเจ็สามเณรแก่นเป็นป ร, ริยนบวชอยู่วัดบรมนิวาภายหลังลาติขาออกรับราชการ เป็นทะยาโอวาทะวรกิจพระสงฆ์สมณะพูดไทยชุดที่สองรูปพระสงฆ์สมณะพูดไทยชุดที่สองรูปแรกได้ไปคราวก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็คือพระอมโรอนี่เองพระอมระเนี่ยนอกจากนั้นได้ไปเป็นครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงเป็นผู้จับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ได้น า, นาพระตรายปิฎกที่พระสงฆ์สมณทูตผู้ไปผู้ไปครั้งก่อนยืมมาจากลางกากลับไปตงกลับมาถึงกรุงเทพในปีเดียวกันนั้นยืมหนังสือมาได้อีกสามสิบคำทีในการไปครั้งที่สองนี้ได้มีหนังสือของอุบาสกที่เมืองสิงหขันธศิริวัฒนบุรีฝากมากราบทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีข้อความตอนหนึ่งยกย่องพระอมรัว่าด้วยข้าพเจ้าได้พบพระสงฆ์ไทยผู้มีชื่อว่าอมรัซึ่งพูดภาษาอังกฤษได้ที่ไปกับพระสุภูติผู้เป็นใหญ่นั้นหนึ่งข้าพเจ้ามีความขอบใจด้วยพระอมรันั้นผู้ได้เหมือนอังกฤษทีเดียวถ้าแม้พระอมรันั้นมิได้ไปกับพระสุภูติผู้เป็นใหญ่นั้นแล้ว ข้าพเจ้าเห็นว่าการงานทั้งปวงก็จะขัดขวางอยู่โดยมากแล้วข้าพเจ้าดูอาการของพระอมราองค์นี้พูดจากล้าหาญดีเปรียบเหมือนทหารที่แกล้ า, ลานี่ก็เป็นคําชมของอุบาสกคนหนึ่งในเมืองสิงขันทสิริเง้ารันาของพระอมราธิราติตะอมโรเกิดได้รจนานังสือไว้หลายเรื่องเท่าที่ได้พบขณะเรียงประวัตินี้คือ สัตตปพระบุพัษิกขาหรือเรียกสั้นว่าบุพัษิกขาไม่มีบอกปศที่เรียบเรียงฉบับพิมพ์ที่เท่าไหร่ก็ไม่ได้บอกปศออที่พิมพ์แต่เป็นการแน่นอนว่ารจนากรหนังสือบุพัษิกขาวรรณน า, นาบุพัษิกขาวรรณนามีบอกที่ท้ายเรื่องว่าเสร็จทั้งหมดปีวอกปศสองพันสี่ร้อยสามจะดนทำ อธิบายปริาาศนาภาสิตเก่าสิบแปดคู่เป็นกลอนปริาาศนาภาสิตเหล่านั้นเช่นคู่ที่หนึ่งว่าจันร์ย่อนกว่าดาวไม้เท้ายาวกว่าทอคู่ที่สองว่าลูกดอกนอกช่อไม้นอกกอลำใหญ่เป็นต้นหนังสือประดล ร, รมแต่งแก้ปริาาศนาภาษิตเหล่านี้นเป็นคํากลอนสอนเตือนใจทั้งคดีตกทั้งคดีธรรม ท่านพระอมราพิรุติตะอมรโรเกิดเป็นเจ้าอาวาสวัดบ ร, รมนิวาสองค์ที่สองต่อจากพระยานรกิตะธรรมสิริสุขมีกล่าวถึงในตำนานวัดบรวรนิเวศวิหารพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวัชร ย, ยานวโรวรสกรมพระยาวชิรยานวโรวรสว่า พระบาทสมเด็จพระจองเ้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวดอยู่ได้ทรงส่งพระสิทธิหลวงเดิมไปตั้งสำนักเป็นสาขาขึ้นที่วัดอื่นๆ อ, อ, อีกที่วัดบรมณิวาสเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดนอกพระญาณรัชกิตาธรรมสิริสุขเป็นเจ้าสำนักนับเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่หนึ่งต่อมาพระญาณรัชกิตาได้ลาสิกขาได้เป็นที่พระธรรมการบดี ท่าพระอมราพิรคิตาอมโรเกิดได้เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมาตามประวัติวัดบ ร, รมนิวาสเจ้าวาดองค์ต่อจากท่านคือพระพรหมวุนีสุมิตโตเหมือนซึ่งเป็นพระอุปชาสามเณรสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชริรญาญวงศ์วัดบว ร, รนิเวศวิหารท่านพระอมราพิรคิตาอมโรเกิด ม่ใช่เป็นผู้แตกฉานในประยัศาสนาเท่านั้นเป็นผู้เคร่งครัดในพระวินยัยและดำเนินในปฏิบัติศาสนาด้วยได้มีผู้พบข้อความในสมุดบันทึกของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์านะวรเถรศวเทวเศสิรินทราวา่ามีเขียนบันทึกคาถาบทหนึ่งของท่านพระอมาราธิรกิตอาอมโรโเกอเขียนไว้บนประตูถ้ำที่เรนวัดบรมนิวาวา่า เยนิเยนิงจสัมปตตาอปามาเดนะโหตบังอิริยารพตุโปโตโอายุสั ต, ตานะมัปป์กังก็ความก็จบแค่นี้อันนี้ก็เป็นประวัติย่อของพระอมราธิรกิตะอมโรโเกิดซึ่งก็ได้มีส่วนเกื้อกูลต่อพระศาสนาในการรุจนาพระวินัยแล้วก็คุณของพระพุทธตรัรย รวบรวมพระคุณโดยย่อแล้วก็พระวินัยโดยย่อเพื่อจะได้ศึกษาก่อนก็ขอให้เราท่านทั้งหลายน้อมบูชาแห่พระสงฆ์ซึ่งก็เป็นตัวแทนของพระอริยะทั้งหลายอันเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัยเพอความเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนาจงเป็นไปแก่ท่านทั้งหลายเพื่อบรรลุโลกุตรธรรมในที่ตุดด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ